Book สอ <48. S 3> ที่ไหนวูรนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคอ คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะกาลิมยิกรทเสชไปฝิอนาะกาลิมยิกรทเสชไปฝิอนาะจองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะมาฮจฉมวุนชูบติ้พลัชชิตมาฮจฉมวุนชูบติง เพรสเมืองเก่าอยู่ที่ไหนกาเลซร์ติชดชกเลซรตดชวิหารอยู่ที่ไหนชิลิซิร์ติดชชิลิซรตดชพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหนมูเซยร์ติดช มูเจร์ทิดช ซ, ซื้อสแตมได้ที่ไหนโปชเต้มาร์กัครทิดชิปเชฟนเคเพเลชิสตซื้อดอกไม้ได้ที่ไหนกาากรทิดชิปเชฟนเคพเลชิสต <t lavoro heard> ซื้อต er ัวได้ท pues ี <S 2> <S 2> ่ไหนบิลเรื้อตั๋ที่ไหนท่าเรืออยู่ที่ไหนคว้าวูจูเปร์ท่าเรืออยู่ที่ไหน ตลาดอยู่ที่ไหนบัดเรร์ทดูดช์บัตเจร์ทิเดช์ปราสาทอยู่ที่ไหนกลเยสไเร์ทูเดช์การพาทเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่เอ็กส์คูซิเอร์ซึดิวะซาราแกจิร์ s i การการพาเที่ยวชมจบเมื่อไร่ซ s i การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ e x c u r s i n สุดฟาจิสหัตโตวาเ e r s ว, วัตต์จี่เดอรดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาเยอรมันเซนัมทบเซเชกูาอ์เทบเชกูชิเอรดายดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาอิตาเลียนซอิต a เลียท กุชเชอ i ์กิด a ฟเย i เซอียฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาฝรั่งเศส